เมื่อกล่าวจักสุในสูตรนี้แล้วก็เป็นอันกล่าวอายตนะภายในที่เหลือด้วยถ้ากล่าวตานะหูจมูกลิ้นกายใจก็ชื่อว่าเป็นอันกล่าวด้วยเพราะเหตุไรเพราะว่าอายตนะภายในหกคือหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะทงปวงมีลักษณะเหมือนกันโดยสภาวะเป็นผู้ฆ่าผู้ฆ่านะแพชย์ฆ่าดะเพชย์ฆ่ และสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนราธะเธอจงเป็นผู้ไม่เพง่งไม่เพ่งลงในรูปประขันที่เป็นอดีตอย่ายินดีรูปประขันที่เป็นอนาคตจงปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อการสละเพื่อการพ้นรูปประขันที่เป็นปัจจุบันนี่นะทนก็สรุปว่าขันในอดีตทั้งหมดนะอดีตหมายถึงอดีตชาติด้วยเป็นต้นเนี่ยนะ อดีตชาตินี้หรืออดีตชาติที่แล้วก็ช่างเป็นผู้ไม่เพ่งเลง็งคำว่าเพ่งเล็งนี้เป็นชื่อของตันหาใช่ไหมแปลว่าอย่าไปอาไยอาวรนในขันที่เป็นอดีตอะไรเลยแล้วก็อย่ายินดีคืออย่าตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีขันในอนาคตชาติหน้าสาธุขอให้มีรูปสวยๆ <c oughs> ขอให้มีเสียงดีๆขอให้รู้สารพัดขอเนี่ยนะแต่ว่ารวมๆแล้วขอขันห บางคนก็ขอรูปปั้นขันบ้างบางคนก็ขอเวทนาขันบ้างบางคนก็สกขอสัญญาขันบ้างบางคนก็ขอสังขารขันบ้างเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ห้ามมาอย่าไปปรารถนาอย่าไปยินดีขันต่อไปในอนาคตแล้วก็ขันที่มีอยู่เห็นอยู่เนี่ยก็จงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดคิดยังไงจึงจะเบื่อหน่ายคลายกําหนัดในอุปาทานขันนะความเบื่อหน่ายเนี่ยเกิดจากอนิจจานุปัสสนาเกิดจากทุกขานุปัสสนาเกิดจาก อนัตตานุปัสนาทัานถ้าตามเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในขันท่าเมื่อเบื่อหน่ายวิราคะก็คลายกำหนัดใช่ไหมวิราคะเป็นชื่อของอะไรมักเบื่อหน่ายนี้เป็นชื่อของวิปัสสนานะปฏิบัติให้เกิดวิปัสสนาคลายกำหนัดก็เป็นชื่อของมักเพื่อความดับก็เป็นชื่อของผลเพื่อการสละสละก็เป็นชื่อของพระนิพพานเพื่อการพ้น พ้นก้อนิพ้่านนั่นแหละพ้นขันทั้งหมดเหล่านี้แปลว่าพิจารณาขันเหล่านี้ก็แทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลไปเลยว่างั้นน่ยปฏิบัติให้เห็นอริยสัจไปเถอะขันที่มันมีอยู่นี่แหละว่างั้นเมื่อกล่าวรูปประขันในสูตรนี้แล้วก็เป็นอันกล่าวขันที่เหลือด้วยถ้ากล่าวรูปประขันอย่างเดียวก็ขันอื่นๆก็กล่าวแล้วเพราะอะไรเพราะว่าปัญจขันทั้งปวง ท่านกล่าวว่ามีลักษณะเหมือนกันโดยสภาวะเป็นผู้ฆ่าสภาวะก็เป็นผู้ฆ่าเหมือนกันนะถามว่าขันเนี่ยมันฆ่ากันยังไงรูปฆ่ารูปรูปฆ่าน้ำน้มฆ่ารูปน้ำฆ่าน้ำหลักการเขามีอย่างนี้เอาหมายนะรูปฆ่ารูปมหาพูดมันฆ่ามหาพูดกันเองปฐวีฆ่าอาโปอาโปฆ่าเตโชเตโชฆ่าวายโยปฐวีคืออะไร ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจพังผืดมา้ามปอดมันสมองเนี่ยนะลำไส้สายรัดไส้อันตักขุนนังเนี่ยตัวรัดไส้เนี่ยตัวที่มันยึดไส้อะสายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าทุกแห่งเนี่ยแล้วมันฆ่ากันเองได้ไหมสมมติถ้าหัวใจมันมีปัญหานีมันไปฆ่าอย่างอื่นได้ไหม เพราะฉะนั้นถ้าตับมันมีปัญหามันไปฆ่าอย่างอื่นได้ไหมมันฆ่ากันได้ถ้าฟันร่วงหมดแล้วไม่มีฟันเลยไม่ยอมเคี่ยวอาหารเลยนัมีปัญหาไหมเพราะฉะนั้นมันก็นําไปสู่การฆ่ารูปประคันด้วยกันแล้วถามว่ารูปเหล่านี้ฆ่าฆ่าอาโปธาต์ไหมนะถ้าหัวใจไม่ปั๊มนะอาโปธาต์เดือดร้อนอีกล้นะเพราะฉะนั้นก็มันก็ฆ่ากันเองรูปก็ฆ่าอปัทวีฆ่าอาโปอาโปฆ่าฆ่า ปัวีเช่นอย่างที่ว่าไขมันเป็นต้นเนี่ยนะพวกไขมันก็คือกลุ่มอาโปใช่ไหมอาโปมันจะฆ่าปัตถวีแล้วเตโชล่ะธาตในร่างกายเนี่ยความร้อนเกินไปเนี่ยนะถูกฆ่าไหมถ้ามันเย็นเกินไปอีกเพราะฉะนั้นแม้ทั่งความร้อนเนี่ยเพราะเตโชเนี่ยรวมทั้งไ อ, ไอตัวสารพิษทั้งหลายก็คือกลุ่มเตโชธาตุเตโชธาตุก็คือความเร่าร้อนเพราะนั้นโอชาถ้ามันจะทํากิจได้ดีก็ต้องอาศัย เตโชใช่มันเตโชมันก็ฆ่าได้แล้ววายโญละ่ะโรค ก, กลุ่มความดันทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มวายโญนะความดันต่ำก็วายโญสูงก็วายโญแล้วความดันนี่นไปฆ่าอย่างอื่นได้ไหมก็ได้นี่นะเพราะธาตุมันก็ฆ่ากันกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละเพชรขคาดว่างๆมันก็ทะเลาะกันเองก็ลิ้นกับฟันมันยังกัดกันเลยนะลิ้นโดนกัด ทันในร่างกายเนี่ยมันมันเข็นมันฆ่ากันได้อันนี้เรียกว่ารูปฆ่ารูปเกิดท <_ co. S 1> ่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าตัวใดอ่อนคุณภาพลงคือในที่เดียวกันนะสมมติว่าในตับเนี่ยนะในตับมันก็มีทั้งดินน้ำไฟลมอยู่ในนั้นใช่ไหมถามว่าถ้าตับแข็งเลยนีนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มธาตุดินกำเริบถ้ามันแข็งตัวขึ้นเนี่ยนะถ้าธาตุน้ำกำเริบมันเป็นหนองเี้ย ตับเป็นน้องเป็นฝีไปหมดเลยก็อาโปธาตุกำเริบถามว่าความร้อนในตัวตับเนี่ยมีไหมมันเพิ่มปริมาณความร้อนมากขึ้นมากขึ้นได้ไหม <c oughs> อ, อันนี้เอาเอ า, เอ า, เอารูบอรวบก่อนนะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งชีวิตตินซีถ้ามันเสียหายไปถ้าชีวิตตินซีหมดสภาพนะก็ฆ่ามหาพูดหรือโอชาเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอชามีปัญหาก็ฆ่า ค่ารูปเพราะฉะนั้นอุปาทายรูปที่มันสามารถฆ่ามหาพูดก็คือสองตัวนี่แหละโอชากับชีวิตตินทรีแต่ที่เหลือโดยมากแล้วมหาพูดมันเข็นฆ่ากันเองนี่นะก็เรานั่งนิ่งๆเฉยๆนะมหาพูดเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเองแหละถ้านั่งไม่ขยับตัวทั้งวันเลยความร้อนในร่างกายจะเพิ่มไหมเตโชธาต์แล้วความดันเพิ่มไหมเพิ่มถ้าวิ่งทั้งวันเลยนะบำรุงบาโยธาต์มากให้มันวิ่งทั้งวันเลยอะไรจะเกิดขึ้นนะ ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวก็าธาตุกำเริบหมดแล้นะทีนี้อันนี้รูปข้ารูปทีนี้ถ้ารูปนามข้านามละ่ะถ้าเวทนาขันมันเช่นโสมนัตเวทนาเนี่ยนะกุศลบางส่วนเนี่ยเกิดพร้อมกับโสมนัตเวทนาในชะ่ไถ้าลองโสมนัตเวทนาไม่เกิดนะปัญญาส่วนนั้นนั้นจะเกิดไหมอ่านะนามขันอื่นๆจะเกิดไหม เพราะฉะเวทนาเนี่ยก็ฆ่าสัญญาฆ่าสังขารและก็ฆ่าวิญญาณเนี่ยนะมันก็ฆ่ากันเองเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งสมมุท่าปัญญามันลดลงไปเนี่ยนะขันอื่นๆที่เป็นบริขารหรือบริวารของปัญญาเนี่ยถูกลดไหมก็ก็ถูกลดลงไปเพราะฉะนั้นขันเหล่านี้มันมีการเข็นฆ่ากันเองอยู่ในตัวนะโดยสภาวะเนี่ยถ้าอันใดอันหนึ่งไม่เกิดมันก็ไม่ยอมทําให้อีกอันหนึ่งเกิดเลยอย่างสมุติท่า ปัญญามันลดลงไปเนี่ยนะนามขันที่มันเสียหายไปอีกไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่นะโสภณธรรมทั้งหมดนี่ถูกถูกตัดขาดออกไปหมดเลยถ้าปัญญาไม่เกิดถ้าอกุศลมันเกิดล่ะมันก็ทําลายกุศลถ้ากุศลเกิดก็ทําลายอกุศลแต่ในขณะเดียวกันนั้นน่ะถ้ามณสิการไม่เกิดนามธรรมทั้งหลายก็ก็เกิดไม่ได้ะนั้นขันเหล่านี้มันก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันใช่ไหมเมื่ออันใดอันหนึ่งไม่ทํากิจขึ้น ก็พาขัำอย่างอื่นเสียหายล้มละลายตายจากไปหมดอันนี้เรียกว่านามฆ่านามแต่ถ้านนามฆ่ารูปอะนามฆ่ารูปถ้าจุติจิตเกิดรูปก็าตายนี่ไงนามฆ่ารูปนะถ้านามโทสะมากๆแล้วรูปจะเป็นยังไงถ้าหัวเราะทั้งวันเลยนะดีนามดีใจทั้งวันเลยนะขำอยู่ทั้งวันทั้งคืนสักเจ็วันนี่จะเป็นยังไงก็ลำบากอีกันนะ ถ้าเป็นโทมนัสเกิดเจ็ดวันหรือนามคือราคะเกิดเนี่ยมันจะรูปมันจะเป็นยังไงนามคือโทสะเกิดมากๆแล้วรูปจะเป็นยังไงเพราะอันนี้เรียกว่าน้ำฆ่ารูปถ้ารูปฆ่านามก็เห็นใช่ไหมเป็นแผลตรงไหนมันก็ปวดตรงนั้นแหละก็ทุกแถวๆนั้นนะเพราะนนัน้ถ้ารูปมีปัญหานามมาทําทั้งหลายก็ก็เดือดร้อนหมดนะเพราะใครที่เจ็บปวดก็ถามดูเถอะถ้ารูปส่วนไหนมีปัญหาแล้วก็พานามเดือดร้อนหมดแนหะ ถ้าเป็นขณะเดียวกันนะคะีครับธรรมะอย่างหนึ่งดับอีกธรรมะธรรมะต่างๆมันก็ต้องดับไปด้วยอันนี้จะเป็นการฆ่าโดยตรงนะครับถ้าถ้าเป็นการฆ่านะถ้าถ้าในที่เดียวกันเนี่ยในในที่เดียวกันมันก็มีการเข็นฆ่ากันเองโดยธรรมชาตินนะหรือถ้าหากว่าตัดอาหารไม่ยอมรับอาหารเข้าไปใหม่ๆเพื่อไปบำรุงล่ะนะมันก็มีการเข็นฆ่ากันเองอี ก, ก น, นะ พราะร่างกายนี่ยมันไม่มีการหยุดนิ่งถ้าหยุดนิ่งตรงไหนแสดงว่าที่นั่นเน่าใช่ไหมในร่างกายนะถ้าเส้นธาตุน้ําที่อยู่ในร่างกายไม่เกิดการไหลเวียนณนะตําแหน่งใดตําแหน่งนั้นจะเป็นยังไ ง, งนี่ก็หมอเขาบอกว่ารอเน่าอย่างเดียวจริงมันก็เริ่มเน่าแล้วละ่ะถ้าไม่ไหลเวียนเลยนะถ้าลําไส้ไม่ขยับตัวอะไรจะเกิดขึ้น ทลิ้นไม่ขยับตัวยังเดือดร้อนเลยนะนนโดยโดยธรรมชาติโดยสภาวะนะขันแต่ละขันเนี่ยมันก็ฆ่ากันเองโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วล่ะเพราะคนเนี่ยไม่ฆ่ามันก็มันก็ยังไงมันก็ตายอยู่แล้วล่ะสมมติถึงไม่เรียนวิชาฆ่ามานะคนทุกคนปล่อยเดี๋ยวมันก็ตายเองจนได้นั่นแหละแม้กระทั่งไปบำรุงบำรเรอให้มันยังดีเยี่ยมเลยนะเอาองค์รักมาพิทักษ์ย่างดีอ่ะนะในที่สุดก็ฆ่าตัวเองตายนั่นแหละนะเพราะรูปมันฆ่ากันเองตายจนได้นั่นแหละ องคลักอาจจะองคลักฆ่าตัวเองเนี่ยนะองคลักฆ่านั่นเองนะก็ในตอนเหมือนในยมโกวาทาสูตรใช่ไหมในสูตเนี่ยที่เครือหาบาดีคนหนึ่งเนี่ยนะเขาก็มีคนคนหนึ่งที่หมายปองที่จะฆ่าก็ไอการที่จะไปฆ่าบแบบง่ายๆมันก็ทำไม่ได้ก็เลยไปสมัครเป็นคนงานรับใช้ใกล้ชิดนาย ดูแลเอาอกเอาใจทุกอย่างตื่นก่อนนอนทีหลังรับใช้เรียกว่ารู้ใจไปทุกเรื่องดูแลรับใช้นายอย่างเยี่ยมมอบเหมือนกับมอบกายถวายชีวิตให้นายในที่สุดนายวางใจมากก็ชวนไปเที่ยวในที่รับด้วยกันสองคนก็นายนอนหลับไปองครักษก็เชือดคอถามว่ามีคำถามว่า คนรับใช้เนี่ยเขาชื่อว่าผู้ฆ่าขณะที่เชือดคอเท่านั้นหรืออ่นนะชื่อของเขาชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าตอนไหนตอนเชือดคอเท่านั้นหรือเขาบอกก็ไม่ใช่ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าตั้งแต่มาสมัครอยู่ร่วมแล้วเพราะในขณะที่เขาดูแลอุปถัา์ถึงจะดีขนาดไหนก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าเรียกว่าเป็นผู้ฆ่าชั้นใดก็ดีขันทั้งหลายเนี่ยนะก็นําไปสู่ความตายเป็นที่สุดสิ่งที่ตายก็คือ ขันแตกทําลายใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามีขันขันก็ชื่อว่าเป็นผู้ฆ่าโดยธรรมชาติเราไม่รู้นะว่าถ้าถ้าสาเหตุแห่งการตายเขาจะวิเคราะห์ใช่ไหมตัวทั่วไปนะเราจะรู้ว่าต้นต้นต้นตำรับตัวไหนจะเป็นตัวฆ่าเราเานะหัวใจฆ่าหรือว่าตับเป็นตัวฆ่าหรือลำไส้เป็นตัวฆ่าหรือก้อนเนื้อที่มันสร้างขึ้นใหม่ๆเป็นตัวฆ่าเนี่ยนะนะเอ๊ะมันสาเหตุแห่งการตายนี่มันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยนะนะเพราะทุกแห่งมันสามารถ มีอำนาจในการฆ่าได้หมดเลยทีนี้ต่อไปสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่ากายคตาสติก็คือสติปัฏฐานนั่นแหละสติที่ประกอบด้วยวิปัสนาญาณอันมีรู ป, ปรกายเป็นอารมณ์คือสติที่สัมปยุตกับปัญญาเนี่ยนะมีรูปประขันเป็นอารมณ์อันชนเหล่าใดเพียรพยายามดีแล้วเป็นนิส คนเหล่านั้นย่อมไม่เสพกิจที่ไม่ควรทําเป็นผู้มีปกติกระทําอย่างต่อเนื่องในกิจที่ควรทําสมมติถาอย่างใครที่ตามเห็นกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงอานิจจานุปัสสนาเป็นต้นก็จักเจริญบริบูรณ์ใช่ไหมสิ่งที่ถูกละไปคืออะไรคือนิจจสัญญาสุขสัญญาอัตตะสัญญาเป็นต้นเนี่ยนะก็จะถูกละไปใช่ถ้าหากว่าอานิจจานุปัสสนาเนี่ยนะ ในกายานุปัสนาที่เป็นกายคตาสติเนี่ยนะคือสติที่มีกายเป็นอารมณ์โดยการวิเคราะห์แยกแยะจนสามารถเห็นความไม่เที่ยงเป็นต้นนี่เขาเรียกว่ากายคตาสติ น, นะเพราะว่านิยามของกายคตาสติคือสติปัญญาที่มีรูปขันเป็นอารมณ์นะเมื่อบุคคลใหนเจริญมากแล้วทําให้มากแล้วกุศลเหล่านั้นก็จะพอกพูนมากยิ่งขึ้นก็จะไม่น้อมเอาขันเหล่านี้ไปทําบาปทำอกุศล เพาั้นอกุศลก็จะไม่อาศัยขันเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะเสพในสิ่งที่ควรเสพคืออะไรก็อริยมรรคทั้งหลายที่ควรเจริญใช่ไหมบาปอากุศลเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรเจริญก็จะไม่เจริญในบาปอากุศลเพราะนัถ้าเจริญกายานุปัสนาแล้วเนี่ยนะสรุปว่าสัมมามรรคทั้งหลายก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมิจฉามรรคทั้งหลายก็จะถูกละถูกกําจัดออกไป เมื่อท่านกล่าวกายคตาสติในคาถานี้แล้วเวทนาคตาสติจิตตะคตาสติธรรมะคตาสติก็เป็นอันท่านกล่าวแล้ว น, นะเธอถ้าผู้ใดมีสติพิจารณารูป น, นะมีสติพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าอย่างบางสูตรเนี่ยเหมือนกับว่าแสดงแต่เฉพาะรูปประขันใช่ไ เอเลนามาขันทําไมไม่แสดงก็ชื่อว่าแสดงแล้วถ้าสูดใดอย่างเช่นนาะยยกตัวอย่างว่าถ้ากล่าวเวทนานุปัสสนานะรูปชื่อว่ากล่าวแล้วถ้าถ้าขึ้นต้นด้วยรูปนะรูปมันจะแบ่งตามนี้นะว่ารูปที่หน้าปรารถนาใช่ไหมอิฐถาหรืออิฐถาเนี่ยแปลว่าหน้าปรารถนารูปที่ไม่หน้าปรารถนาเรียกว่า อนิ tha อนิ t h นะกับรูปธรรมดาทั่วๆไปเรียกว่ามัชชะต์ก็คือปานกลางรูปที่น่าปรารถนาเนี่ยนะโดยมากเวทนาอะไรเกิดถ้ากล่าวรูปที่เวรูปที่น่าปรารถนาที่ใดโสมนัสเวทนาก็เท่ากับแสดงแล้วถ้ากล่าวรูปที่ไม่น่าปรารถนาที่ใด โทมนัสเวทนาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวรูปทั่วๆไปธรรมดาเนี่ยนะอุเบกขาเวทนาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวาโสมนัสเวทนาที่ใดกล่าวโทมนัสเวทนาที่ใดกล่าวอุเบกขาเวทนาที่ใดโสมนัสเนี่ยมันต่อด้วยถ้าเป็นโสมนัสที่เป็นแบ่งเป็นกุศลกับ อกุศลถ้าเป็นโสมนัสที่เป็นอกุศลเนี่ยนะก็เป็นโสมนัสประเภทโลภ ะ, นะะเนี่ยนะถ้ากล่าวโลภะเนี่ยนะทิฏฐิกับมานะก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะมันถ้ากล่าวรูปก็ชื่อว่ากล่าวเวทนากล่าวเวทนาก็ชื่อว่ากล่าวสัญญ า, าจิตเพราะธรรมชาติของเวทนาต้องเกิดร่วมกับ จิตใช่ไหมถ้ากล่าวจิตเจตสิก ค, คือธรรมะที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะดูจากรูปก็อธิบายเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเพราะถ้ากล่าวสิ่งหนึ่งก็ตามมาตลอดสายถ้ากล่าวสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเช่นตายเกี่ยวกับเรื่องตายตายเนี่ยนะโดยเฉพาะพวกที่เราฟังแล้วก็โทรมนัทันทีเลยถ้ากล่าวโทรมนัดนะ ทำจิตก็เท่ากล่าวแล้วโทสะมูลจิตโทมนสเวทนาแล้วต่อด้วยอะไรปฏิฆะนั่นะปฏิฆะยางงี้พยาปาทานิวรก็เท่ากับกล่าวแล้วใช่ไหมธรรมะก็ชื่อว่ากล่าวแล้วถ้ากล่าวอารมณ์ธรรมดา ท, ทั่วไปก็กล่าวอุเบกขาเวทนาโดยทั่วไปก็อกุศลที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนาอุทจักสัมปยุตก็ชื่อว่า กล่าวแล้วจิตที่เกิดร่วมกับอุเบกขาเวทนามีกี่ดวงก็ชื่อว่ากล่าวแล้วฮัลท่าดูจากรูปอย่างเดียวเพราะรูปมันก็แบ่งเป็นสภาวะที่น่าปรารถนาสภาวะที่ไม่น่าปรารถนาสภาวะปานกลางทั่วทไปก็ชื่อว่ากล่าวตัวอารมณ์คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือจิตนั้นแล้วพฮัลถ้าปัญญาที่พิจารณารูปปัญญาที่พิจารณารูปมีชื่อว่ากายคตาสติ ปัญญาที่พิจารณาเวทนาชื่อว่าเวทนาคตาสติคตะนี้แปลว่าไปหรือแปลว่ารู้ก็ได้สติที่รู้เวทนานนะสติคตะตัวนั้นโดยศัพท์แปลว่าไปก็ได้แปลว่ารู้ก็ได้ศัพ์ใดแปลว่าไปศัพท์นั้นแปลว่ารู้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ารู้สติรู้กายก็ชื่อว่าสติรู้เวทนาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วด้วยถ้ากล่าว เวทนาคตาสติก็ชื่อว่ากล่าวจิตตะขะตาสติถ้ากล่าวจิตแล้วนะเจตสิกชื่อว่ากล่าวหรือยังธรรมะธรรมะคือเจตสิกเนี่ยนะก็เรียกว่าธรรมะขะตาสติกนะก็ชื่อว่ากล่าวเรียบร้อยแล้วดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุนั้น เธอจงเป็นผู้พิจารณาดูกายในกายเรียกว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกอยู่ในาศาสนานี้ท่านกล่าววิริยินทรีย์ด้วยคําว่าอาตาปีมีความเพียรนะนะมีความเพียร น, นั้นหมายถึงวิริยินทรียกล่าวปัญยินทรีย์ด้วยคําว่าสัมปชานโนมีสัมปชัญญะเนี่ยกล่าวสตินทรีย์ด้วยคําว่าสติมามีสติ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเธอจงเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรคือสัมมาประธานสมีสัมปชัญญะคือปัญญรี4หรือมีความเพียรคือวิริยินรี์มีสัมปชัญญะคือปัญญรี4มีสติคือสตินรี่ใช่กล่าวสมาธิด้วยคำว่าวิกรรมจัดอภิชาและโทมนัสในโลก อยู่ในศาสนาเนี่ยนะก็คือกล่าวสมาธิสีด้วยคำว่าวินยนะโลเกอภิชาโทมณสังก็คงแยกศัพท์ในตอนตอนก่อนตอนต้นได้นะที่ที่กล่าวตอนแรกเลยถ้าแยกเป็นภาษาบาลีอาจจะเห็นชัดนะว่ามาจากบาลีว่ากายกายานุปัสสีเนี่ยนะ วิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลเกวินยะโลเกอภิชาโทโมนสังหนนะวิหารเออนะก็มาจากคำว่าวิหารนะ กายเนี่ยนะหมายถึงรูปขันธ์หรือรู ป, ปกายก็คืออันนี้เป็นคํารวมคํารวมนะก็หมายคลุมทั้งหมดส่วนกายาบวกอนุปัสสีอนุปสัสสีก็คืออนุปัสนาอนุปัสนาทั้งหมดมีเท่าไหร่มี7บุคคลผู้มีอนุปัสนาเจเรียกว่าอนุปสัสสีเพราะเป็นหมายถึงบุคคล บุคคลผู้มีอนุปัสนาเจตเรียกว่าอนุปัสสีอนุปัสนาเจมีรูปปัจขันเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีรูปมีรูปปัจขันเป็นอารมณ์อันนี้อนุปัสนา7มีอะไรบ้างหนึ่งอ น, นิจจานุปัสนาสองทุกขานุปัสนา3อนัตานุปัสนาสนิพพานุปัสนา5้วิราคานุปัสนา6 นิโรธานุปัสสนาเจปฏินิสขานุปัสสนาอนุปัสสนาเจนี้เนี่ยมีรูปประขันเป็นอารมณ์มีอยู่แก่บุคคลใดบุคคล น, นั้นชื่อว่ากายานุปสีคือบุคคลผู้มีแปลง่ายๆว่าคนมีปัญญาเจริญวิปัสสนาเราหน่าจะแปลอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะวิหารติเนี่ยนะวิหารเนี่ยโดยศัพ์มีกี่อย่างนะ วิหารหนึ่งอิริยาบถวิหารสองทิพวิหาร3พรหมวิหาร4อริยวิหารที่นี่หมายถึงอิริยาบถวิหารแปลว่าจเจริญได้นในอิริยาบถ4อิริยาจเจริญได้นในอิริยาบถ ท, ทั้ง4นีนี้อาตาปีสัมปชานุสติมาเนี่ยนะอาตาปีคือวิริยินสีอันนะสัมปชานุ ปัญญีนสีสติมาสเตนีวินยะโลเกสมาธินีถ้เชื่อว่าสมาธินีถ้าสังเกตแบ่งตามนี้นะว่าตัวอาตาปีสัมปชาโนสติมาเนี่ยเป็นองค์ประกอบของผู้ปฏิบัติ นะเป็นองค์ประกอบวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยนะหมายถึงกำจัดอภิชาและโทมนัสหมายถึงกำจัดสมุทัยสัตว์ใช่ไหมกายานุปสัสสกายเกายานุปสีนะเป็นการเจริญปัญญาพิจรารณาทุกขสัตว์องค์ประกอบของการปฏิบัติคือมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติแล้วก็มีสมาธิกาจัดอภิชาและโทมนัสคือกาจัดอะไรสัตว์จก กำจัดสมุทยัยสัจจะกำจัดอภิชาและโทมนัตคือสมุไทยไหมถ้าดูสอดคล้องตามนี้ก็คือการเจริญอริยสัจนั่นเองคือพิจารณารูปประกายรูปประคันที่เป็นทุกขสั์ด้วยอนุปัสนาเจริญมัชเจริญวิริยินทรีย์ปัญญินทรียสตินินทรียสมาธินทรียพวกนี้เป็นกลุ่มมัช ก, กำจัดอะไรกำจัดอภิชากับโทมนัตคือ สมุทัยสัต์จะนะทีนี้ถ้ากล่าวอย่างนี้นะตัวในครั้งหนึ่งว่าถ้ากล่าวกายานุปัสนาอย่างนี้หรือกายานุปสัสีเวทนานุปัสนาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วจิตานุปัสนาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วธรรมานุปัสนาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วก็ เอาการพิจารณาเป็นเป็นหลักนะแต่ถ้าตามหลักไวยากรณ์ตรงนี้เป็นเอกพจน์หมดในในด้านเอกพจน์พหูพจน์ในคำพีนเนี่ยนะท่านไม่ช่วยมาชี้ที่ตรงนี้หรอกท่านชีท้ที่ที่ไหนเอกาญโนอยังพิขเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาเนี่ยนะอันนี้ก็ว่ามัคโคใช่ไหมมัคโคอ น, นี้เป็นเอกพจน์ ดูกรพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งศาสตร์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกกา ป, ปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมันะเพื่อบรรลุญยาธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งยะที่ทางจัตตาโรโอสติปัทานนาสติปัทานาตัวนี้เป็นผู้หูพดสติปฐานตรงนี้เป็นผู้หูพดยะที่ทางจัตตาโรโอสติปัทานนาสติปฐานสี่เนี่ย โดยศัย์นี่เป็นพหูพ์แล้วตอนแรกบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกทางมัคคโคนี่เป็นเอกพจน์ทั้งๆที่สิ่งเดียวกันเนี่ยทำไมจึงแสดงเป็นเอกพจน์กับพหูพศเนี่ยนะแต่ที่จริงแล้วอ่ะนะมัคเนี่ยจะเรียกว่าทางเดียวคือมีในาศาสนานี้เดียวก็ได้เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันเดียวเท่านั้นไม่มีการแยกอะไรพิเศษ แต่ตัวสติเนี่ยมีมีแบ่งโดยอารมณ์ก็มี4เป็นต้นนั้าอารมณ์ของสติมีมากมก็เลยใช้คำว่าสติประถานทั้งหลายแต่สติมันจะมีขนาดไหนมันก็เป็นทางเดียวเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าตรงนี้ท่านมาแยกให้ความสำคัญในเกี่ยวกับเรื่องเอกพจน์กับหูพจน์นี้ก็มาขยายว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ แล้วคําว่าพิจารณาเห็นกายแค่ไหนก็คือรูปประกายก่อนแล้วพิจารณากายเนี่ยนะพิจารณาขอบเขตการพิจารณาอย่างไรอันนี้ก็จะเริ่มที่มาของรายละเอียดจะไหมว่าไม่พิจไม่ได้พิจารณาเห็นโดยความเป็นหญิงเป็นชายนะแต่พิจารณาโดยการเข้าไปแยกแยะวิเคราะห์เป็นอะไรเป็นกายย่อยเนี่ยนะลงละเอียดเป็นที่รวมของอวัยวะต่างๆเพราะคําว่ากายนี่แปลว่าเป็นที่ประที่ประชุม เป็นบ่อเกิดเนี่ยนะเป็นที่ประชุมของสิ่งที่น่าเกลียดเป็นบ่อเกิดของสิ่งที่น่าเกลียดอันก็เป็นการเข้าไปแยกแยะไปวิเคราะห์เหมือนกับการวิเคราะห์อะไรเมืองหรือเหมือนกับแแบอะไรกรรมมือใช่ไหมเหมือนกับแแบกรรมมือเหมือนกับลอกกาบกล้วยเป็นต้นเนี่ยนะหรือการพิจารณาองค์ของกองทัพเมื่อพิจารณาแยกแยะอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยนะ ก็แยกไปอีกว่าแม้กระทั่งแยกย่อยไปเป็นอวัยวะต่างๆมีผมขนเล็บผมขนเล็บก็มาแยกเป็นมหาภูตรูปและอุปาทายรูปภูตรูปและอุปาทายรูปเมื่อเข้าใจดีพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยพร้อมทั้งสมุตฐานก็มาตามเห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นเนี่ยใช้สติจำนวนมากแต่ก็นับว่าทางเดียวคือเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลาย